ก็อย่าลืมว่าการปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องสําคัญเพราะวิธีนี้เราทําวิปัสนาไม่ใช่สมถะสมถะนี่สามารถแช่อยู่กับเวทนาเดิมๆให้อยู่ได้นานๆเพื่อต้องการให้จิตนิ่งและต้องการที่จะพัฒนาอะไรบางอย่างเช่นคันติความอดทนความพลังของจิตไอเด็กน้องๆนั้นนะแต่วิปัสนาในเรื่องการพัฒนาพลังของปัญญาเราไม่ต้องการพลังอย่าง อ, างอื่นนะ เพราะคนเราในยุคสัตปัญญานำสัทธาแต่คนยุคก่อนเขาสัทธานำปัญญาเขาต้องใช้ตัวสมรรษะเป็นหลักแต่ถ้าปัญญานำสัทธานะั้นต้องใช้วิปัสสนาเป็นหลักอันนี้เหตุผลนะว่าทาไมเราต้องไม่ต้องเน้นที่ความสงบแต่เน้นที่การตื่นรู้นเพราะะนั้นเองการตื่นรู้นั้นก็จะต้องมีการปรับแต่ปรับอย่างรู้เนื้อรู้ตัวไม่ใช่ปรับแบบสัญชาตญาณปรับแบบรู้สึกตัว ชัดๆนะคือการปรับของเราต้องการศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ในกายของเราให้ชัดๆเท่านั้นเองต้องการเพียงแค่นั้นเพราะนั้นเป็นเครื่องดึงจิตกลับมามีทางเดียวเพราะจิตของเรามันมั น, ม, นมันออกอยู่แล้วตลอดเวลาแต่โดยการปรับคือการเปลี่ยนด้วยการมาศึกษาเรียนรู้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นการดึงจิตกลับมาเพราะจิตมันมีอยู่ทีละขณะดพอหากว่าเราดึงไว้ตรงนี้มันก็จะออกไปเท่านั้นไม่เต็มร้อย ถ้าคิดว่าดึงว่าตรงนี้มันก็ยังรู้ตรงนั้นอยู่ก็แสดงว่ามันไปนุ้นห้าสิบอยู่นี่ห้าสิบหรือไป น, นุ้นเจ็ดสิบอยนี่สามสิบอะไรตรงนั้นตามอัตราส่วนของเขาแล้วว่าจะรู้สิ่งข้างนอกชัดหรือวิธีข้างในชัดถ้ารู้สิ่งข้างในตัวชัดกว่าข้างนอกที่ออกไปก็หมายความเปอร์เซ็นต์ดุนี่สูงกว่าถ้าไปรู้สิ่งข้างนอกมันชัดกว่าที่เรารูจากข้างในก็นแสดงว่าปเปอร์เซ็นต์ที่มันออกไปมากกว่านี่คือการพิสูจน์ว่าเขาอยู่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ตามหลักเบื้องต้นเนี่ย ถ้านเน้นให้สักเจ็ดสิบสามสิบแม้ อ, อยู่ที่เราแคเจ็สิเปอร์เซ็นถ้าจมีการออกไปรับรู้ต่อสิ่งมลกระทบบ้างก็ไม่ควรเกินสามสิบมันจะรักษาระดับไว้ได้แต่ส่วนใหญ่มันคุ้ยกันกลับข้างกันไปที่ดูที่เจ็ดสิบอยู่ที่น0สาสิบหรืออยู่นี่ยี่สิบไปแปสิบอยู่ที่สิบหอยู่นเก้าสิบอย่างเี้ยอันนี้คือค่อนางบาลานยากอยู่แต่ถ้า50สิบพสิบก็เสียงใช่ไหม โอกาสที่มันจะแฉลบออกเป็นหกสิบเจ็ดสิบมันง่ายมากเพราะนั้นตั้งไว้ก่อนเจ็ดเจ็ดสิบเลยเผื่อกันถ้ามันออกไปยริงๆก็อย่างนั้นก็ห้าสิบห้าสิบแต่ตั้งไว้เผื่อไว้จยี่สิบเปอเซนเผื่อเหลือเผื่อขาดพูดเหมือนวัตถุเลยนะ <c oughs> นี่เหมือนแกทำง่ายๆอย่างนั้นนะแต่แต่ว่ามันก็ไม่มีวิธีอื่นที่จะเสือนอกจากวิธีนี้นะมันเป็นนามธรรมอันนั้นเองในช่วงที่ทําไม่ว่ายืนก็เดีเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดี ก็ลองทําดนะูถ้าทำบ่อยเข้าบ่เข้ามันเกิดความคุ้นเคยเกิดทักษะแล้วมันก็จะง่ายเมืนะ่อ ก, ก่อนเป็นเรื่องยากมากสําหรับการภาวนาแต่พอปัจจุบันพอเรามาใช้หลักถึงรูปธรรมนามธรรมอย่างเข้าใจเนะี่ยก็ง่ายขึ้นเยอะเลยโนะดยใช้หลักอ น, นี้ฉะนั้นในสมัยรุ่นเรายังเข้าใจได้ขนาดนี้แล้วรุ่นต่อไปเนะี่ยเอามาว่ารุ่นต่อไปมนุษย์เขาจะกล้ากน่ากว่านี้เขาอาจจะทําได้ไวกว่านี้ มาเห็นคนหนุ่มบางคนเข้าไปได้ไหวมากอจิตเขาค่อนข้า ง, างคือมันได้เห็นว่าเดี๋ยวนี้คนยุคนี้เนี่ยที่เขาฉลาดก็ฉลาดมากๆสามารถจะรู้เท่าทันความเป็นไปและสรุปสรุปออกได้ว่าจะเป็นอะไรต่อไปแล้วคนจยทำอย่างไรเขาเขาไม่ดังเลยเลยเพรดังนั้นในยุคต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นยุคที่มีคนเข้าถึงธรรได้มากขึ้นก็ได้เพราะเขาเห็นวัตถุอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยที่สุดของที่สุดวัตถุมันก็มีอะไร นอกจากทุกข์กับทุกข์อ่ะแต่มันมีเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะไปแช่อยู่กับทุกข์ได้ไงใช่ไหมแล้วมีทางอื่นที่ดีกว่าสิแล้วทางอื่นนี่คืออะไรมันก็จะหาทางมันเองเพราะจิตเป็นพลังอันหนึ่งที่มันมันจะหาทางที่อยู่ของมันจนถึงที่สุดละนะถ่าไปโลกพระอาจารย์ น, นังคานไปมาหมดแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรก็ทุกข์เท่าเดิมนะไว้ใต้ดินไปทะลุโลก ก็ไปกันมาแล้วก็ทุกเท่าเดิมแต่ทางหนึ่งที่ยังไม่ได้ไปคือทางนี้ทางที่กลับเข้ามาสู่ตัวเองซึ่งคนรุ่นต่อไปถ้าเขาได้ข้อมูลเหล่านี้อย่างเพียงพอแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ตัวเองได้อย่างรดวดเร็วและชัดเจนโดยที่ไม่ลังเลถ้าเป็นลักษณะ น, นี้แล้วมันจะไปได้ไวนะเพราะฉะนั้นพวกเราก็เช่นเดียวกันะถ้าหากว่าเป็นไปได้ลองลองฝึกเรื่องนี้ดูถ้าหากว่าเราเข้าใจเรื่องนี้แล้วมันสนุกในการฝึกตัวเองเพราะตัวเราเองมีอะไรอีกเยอะที่ต้องฝึก แต่ที่เรายังฝึกมันไม่ได้เพราะเรายังไม่รู้ว่ามันมันชัดเจนว่าอันนี้มันถูกหรือมันผิดแต่บางอย่างมันไม่ถูกแต่ว่าเราคิดว่ามันมันถูกอยู่ในกายของเราเนี่ยในความคิดของเราบางอย่างมันผิดแต่เราคิดว่ามันถูกอยู่ตรงนี้มันยากแต่เมื่อไหร่เห็นมันตามความเป็นจริงอันนี้ถูกอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่เห็นชัดอย่างนี้ปั๊กเนี่ยมันจะแก้ไขตัวเองสนุกนะขึ้นอยู่กับความแหลมคมของแต่ละคนว่าสามารถแยกอ่าสิ่งถูกผิดในตัวเองได้มากน้อยแค่ไหน ถ้าสามารถแยกได้ชัดเจนก็ยี่แก้ไขตัวเองได้เยอะแต่ยังไม่ชัดเจนก็หมายความความแหลมหคมทางการฝึกฝนของเรายังไม่เพียงพอและสิ่งผิดก็ยังผิดต่อไปนะดังนั้นในช่วงจากนี้ไปในช่วงเช้าอยากจะให้ทำเยอะกว่าเพราะบรรยากาศมันมันช่วยแต่ช่วงบ่ายนี่มันค่อนข้างจะใช้ความพยายามแบบดับโบเลยใช่ไหมเพราะมันมีบรรยากาศอะไรเปลี่ยนไปเมาอาหารเลยอากาศเปลี่ยนเลย อเสียงร้อนเอ่ยแล้วก็กระแสะไรอะไรนีกรนร่กัตติบิณฑิชีก็แรงกว่าในช่วงชาช่วงบ่ช่วงเช้าช่เช้านี้โพสิทีบิณฑิชีก็ยังยังคงอยู่ใช่ไหมเพราะโพสิทีบิณฑิชีมันจะหลังออกจากกวางมันตั้งแต่ตีสองไปถึงหกโมงเช้าแล้วทิ้งช่วงไปถึงเพลนได้แต่พอหลังจากเที่ยงไปแล้วเนี่ยมันกลับห้างและว่าทิศเอียงพวนี้เหมาือนกันเอกติบิณฑิชีก็ลุ่มออกมาเราจะต้องต่อสู้กับพลังเหล่านี้ ซึ่งเราจะเห็นมันง่วงง่ายมันคิดง่ายมันปรุงแต่งง่ายมันอะไรที่มันไป็นทางที่ไม่เข้าท่านเนี่ยง่ายมากในช่วงบายใช่ไหมแต่ช่วงเช้านี่พอจะปรับอะไรก็ปรับได้ง่ายสังเกตไหมนี่คือเรื่องนิยมปฏิบัติที่มันทํางานแล้วนะถ้าหากว่าเราไม่ตั้งใจลักษณะสองสองเท่าแล้วก็ต้านมันยากอยู่นะดังนั้นอัน น, นี้ก็มาสังเกตหลายๆด้านนะยังไปอยู่อเมริกราก็อยู่เมืองไทยเมืองไทยเราเนี่ย กระแสอะไรต่างก็ยังตามมา น, นอกกระแสมันยังเย็นอยู่กระแสไม่ร้อนก็ง่ายในการภาวนาแต่พออยู่ในเมืองกระแส น, นี้ร้อนเนี่ยจะสูงสเส้นก็เลยจะสัมผัสได้นะั่ น, นั้นก็เราให้ศึกษาเรื่องนี้ไปเรื่อยมันจะรู้ฟังลึกลับซับซ้อนรู้ความมหัศจรรย์อะไรต่างๆนะชื่อเรืงเรามีมากมายนะแต่ขอให้เราฝึกเบื้องต้นตรงเนี้ยให้ให้ถูกต้องแล้วให้ละเอียดไว้ก่อน แล้วการจะเข้าไปรู้สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยาก เ, เรื่องทำได้นะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่สมัครนั่งตรงนี้ก็เชินบนก็เชิญสรวนผู้ใดจะเดินก็เชิญข้างนอก